นั่งฟังธรรมกันสบายนะจ <c oughs> ิงใจสบายๆนะผ <c oughs> ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจการฟังธรรมก็คือการฟังแล้วก็ดูตัวเราเองไปด้วยนะฟังเข้าใจ ฟังไม่เข้าใจไม่สำคัญนะแต่ฟังแล้วก็สังเกตดูตัวเราไปด้วยทีฟังแล้วรู้เรื่องนะในคำพูดนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้เข้าใจถึงจิตถึงใจตัวเองก็ยังไม่ใช่การเข้าถึงธรรมะจริงๆนะการฟังธรรมก็เหมือนเอาไปเป็นส่วนประกอบนะให้เราเอาไป เอาไปลองทำดูนะเอาไปลองปฏิบัติดูนะพระพุทธเจ้านะท่านสอนว่าทางสายเอกในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อถึงความค้นทุกข์คือการการเจริญสตินะหรือว่ามหาสติประทานสูตรนะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นทางสายเอกเอกก็แปลว่าหนึ่งก็ได้นะ เอกเอกโทตีเนาะเสียงวรรณยุกของเราเนาเอกก็คือทางทางหมายเลขหนึ่งหรือทางหลักก็ได้นะใช่ไหมถ้าเหมือนเป็นถนนทางเอกทางโทนะทางเอกคือทางหลักสติปทานก็มีทั้งกายเวทนาจิตธรรมคือในในชีวิตของเร า, เามันมีฐานที่เอาไว้ เพื่อให้เราเกิดสติได้นะอาศัยร่างกายก็ได้นะร่างกายลงหายใจเข้าลงหายใจออกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคููเหยียดเคลื่อนไหวนะเรามีกายนะตั้งแต่เราเกิดจนทั้งเราตาย <c ười> แต่เราจะใช้กายอย่างไรให้เกิดสตินะอันนี้คือพระเจ้าก็เ อ, อาอาศัยร่างกายนี่แหละนะ เป็นกรรมฐานให้เราได้ฝึกสติให้เราได้สร้างสติหลวงพ่อเจียนนะก็อาศัยรูปแบบเนี่ยแหละนะอาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวกายเป็นตัวสร้างสตินะ่ะเป็นตัวปลูกสติขึ้นมานะทำไมต้องปลูกสติ <c oughs> เพราะว่าถ้าชีวิตทั่ ว, วไปถ้าเราไม่ไม่มีสติน่ะมันะก็เหมือนเราก็เหมือนเราดับนะ เราดื่ตานะแต่เราแต่จิตใจมันหลับ <c oughs> นะหรือบางทีเราดืงตาทํานั่นทำนี่แต่จิตใจมันลอยนะมันฟุ้งซ่านนะมันคิดนะยังมาทิ้งที่นี่นะคิดกลับไปที่บ้านกี่ครั้งแล้ว <c oughs> นะคิดกลับไปอนะถึงคนอื่นนะกี่ครั้งกี่หน คิดไปถึงเรื่องงานเรื่องที่เป็นห่วงกี่รอบแล้วนะไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่อื่นๆก็เหมือนกันนะใจมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะอันนี้เรียกว่ามันหลงลืมมีกายก็ไม่รู้กายมีใจก็ไม่รู้ใจแต่เราจะฝึกยังไง มีกายอยู่นะก็ให้รู้ตัวนะอย่างเรานั่งอยู่นะเรารู้สึกไหมรู้สึกเห็นร่างกายก็กระดังนั่งนะบางคนนั่งพลิกมือนะก็รู้สึกนะพลิกมือก็รู้สึกความมือก็รู้สึกบางคนไม่พลิกมือก็ได้นะนะก็นั่งจเฉยๆก็รู้สึกถึงร่างกายที่นั่งได้ยินเสียงก็รู้สึกนะได้ยินแล้วนะ นี่ก็เป็นความรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะได้ยินแล้วหรือบางครั้งเราฟังไปด้วยนะใจเราเผลอไปคิดถึงกลับไปที่บ้านใจเราออกนอกศาลานี้ไปเนะี่ยเราก็เห็นใจมันเผลอออกไปนะหรือบางทีเราก็ตั้งใจมากเกินไปนะตั้งใจฟังมากเกินไปเราก็เห็นใจเราตั้งใจฟังมากเกินไป นเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราสวดมนต์เราสังเกตไหมบางทีเราอยู่กับการสวดมนต์ตลอดไห ม, <c oughs> มบางทีปากเราก็อะตาเราก็อ่านอ่านปากเราก็ออกเสียงไม่ถูกนะใช่ไหมแต่บางทีใจเราก็ไปไหนก็ไม่รู้นะอืมไม่ไม่เป็นไรนะไม่ขิดคือถ้าเราเห็นนะ่ะเห็นว่าใจมันออกไป อันนี้ถือว่ามีสตินะแต่ถ้าสวดอสวดไปเตอะนะแต่ใจก็ยังคิดคู่ขนานไปด้วยได้เนี่ยอันนี้นคือขาดสติใช่ <c oughs> มมันเหมือนมันเหมือนใจก็ไปคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ร่างกายก็สวดมนต์ไปเป็นนกแก้วนกคุณทองไป <c oughs> คล้ายๆเหมือนกับเราทำกิจวัตรต่างๆนะ ก็กินข้าวได้ไม่กับดบิ้นข้าวไม่หกแต่ใจก็ยังคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆได้อันนี้แต่ว่าขาดสตินะเราเดินไม่หกล้มนะไม่สะดุดอะไรเนะี่ยเไม่ใช่ว่ามีสตินะแต่ถ้าเราเดินแล้วรู้สึกตัวจะเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้นะ นคนสูงอยุดหน่อยก็ต้องเดินช้าๆเนี่ยนะระวัง <c oughs> เดินตรงศาลาเนี่ยต้องระวังหน่อยนะอาจจะลื่นนะข้เดินระวังจากราวไปด้วยก็ได้บางคนหนุ่มสาวแข็งแรงเยอะก็ จ, จะเดินเร็วหน่อยไม่เป็นไรบางครั้งกลางวันเราก็เดินเร็วกลางคืนก็เดินช้าตามสถาน ก, การณบางคน ต, ต้นไตรเราเดินจงกรมจะต้องเดินช้าหรือต้องเดินเร็ว จะต้องก้าวยาวจะต้องก้าวสั้นมันไม่มีสูตรตายตัวนะเอาที่เรารู้สึกพอดีกับตัวเราคือให้มันรู้สึกพอดีก็คือมันจะผ่อนคลายอยเวลาเราเดินถ้ามันเดินก้าวยาวเกินไปมันก็เหนื่อยนะบางทีเราเดินก้าวสั้นเกินไปก็เหนื่อยมันไม่เป็นธรรมชาติบางทีเดินเร็วเกินไป ก็เหนื่อยพยายามจะเดินช้าเกินไปก็เหนื่อยให้เป็นธรรมชาติเอาให้มันเป็นธรรมชาติพอดีพอดีเนาะพอดีพอดีอดอดให้ร่างกายผ่อนคลายเป็นธรรมชาติแล้วกร็รู้สึกตัวไปกับการเดินแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละนะพระเจ้าถ้าไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าต้องก้าวอย่างนั้นก้าวอย่างนี้นะพระพิงสมถ้าบอกว่า ที่สุดทั้งหลายนะขณะที่เธอเดินนะก็ให้รู้ตัวว่าเดินอยู่ขณะที่เธอนั่งก็ให้รู้ตัวว่ากำลังนั่งอยู่ขณะที่ยืนก็รู้สึกตัวว่ากำลังยืนอยู่ขณะที่นอนนะก็รู้สึกตัวนะก่านอนอยู่ท่านท่านบอกแค่นี้แหละนะคือถ้านบอกว่าจริงๆก็คือให้เรารู้สึกตัวว่า กำลังทําะไรก็รู้สึกตัวอยูนะ่แล้วก็ในการรู้สึกตัวอยากให้เรารู้สึกตัวแบบรวมๆนะอย่าไปรู้สึกตัวแบบไปจ้องที่ขาไปจ้องที่มือไปจ้องที่ลมหายใจนะนะการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยนะเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะทั่วพร้อมก็คือที่จริงแต่ว่ารู้รู้กายด้วย รู้ใจด้วยแต่บางทีมันไม่ใช่รู้พร้อมกันหรอก น, นะแต่พี่หว่ามันมันจะมันจะรู้ได้ถ้าสิ่งใดมันเด่นหรือสิ่งใดมันผิดปกติขึ้นมาติกเขาจะเข้าไปรู้แต่ถ้าเราไปรู้แต่เท้านะเช่นเวลาเดินใจไปเพ่งอยู่ที่เท้านะบางทีเราจะลืมตัวว่า บางทีเราหายใจผิดปกติบางทีหายใจสั้นพราบางทีเราตั้งใจเกินไปหายใจผิดปกติหรือบางทีคิ้วก็ขมวดเพราะว่ามันิดเพ่งหรือตามไปจ้องมากเกินไปเนี่ยเราจะดืมเราจะดืมดูอวัยวะส่วนอื่นที่มันผิดปกติแต่ถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเวลาส่วนในส่วนหนึ่งก็ผิดปกติขึ้นมานะเวลาเราทำไปนานๆนะบางที มันเริ่มจริงจังขึ้นมาเริ่มจะบเพ่งเริ่มเจ็บจ้องแล้วหายใจเจ็บึดอัดพอหายใ จ, จอึดอักแล้วก็ถ้าเราเห็นนะโอ้เราก็จะคลายได้เราก็จะคลายแต่ถ้าเราไปดูแต่เท้าเราจะลืมดูอย่างอื่นที่มันผิดปกติไปพอทำไปนานๆก็เลยอึดอักมากขึ้นนะบางคนก็ปวดหัวบางคนก็อาเจียนบางคนก็แน่นหน้าอกมาก ถ้าใครมีอาการแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะตั้งใจมากเกินไปเพ่งเกินไปอันนี้คือให้เรารู้สึกตัวนะอืมลองสังเกตดูก็ได้นะบางทีถ้าขนาดที่ทำตมันเป็นแบบเนี้ยแสดว่าเราทําด้วยความเพ่งพอเลิกทํามันไม่เป็นเนะี <c> ่ย <oughs> ่ใช่เลยนะแต่ถ้าบางทีถ้ามันปวดหัวเนื่องจากเป็นโรคนะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเดินจึงกรมจะยกมือ ก็เป็นจะไม่ทําก็เป็นนะอันเนี้ยแสดงว่ามันเป็นโรคทางกายนะหรือถ้า ง, ง่วงเนะี่ยสังเกตได้เยอะปฏิบัติทําแล้วง่วงเนะยกมือแล้วง่วงแต่พอเดินไปเข้าห้องน้ําไม่ง่วงแล้ว <c oughs> อันนี้คือมันมันง่วงแบบหลอกๆแล้วถ้า ง, ง่วงจริงเนี่ยต้องทําอะไรต้องง่วงนะเหมือนตอนกลางคืนนะเราตื่นขึ้นมาเนะี่ย แม้ปวดขี่มันก็อย่าง่วงใช่ไหมไปขี่ก็อย่างง่วงกลับมาเขดับปั๊บทันทีเนะจึงง่วงจริงนะแต่เนี่ยแหละนะสิ่ ง, งต่างๆนั้นมันหลอกนะอาการต่างๆมันหลอกมันหลอกให้เราหลงไปนะหลงไปกับอาการก็ดีหรือหลงไปปรุงแต่งกับอาการก็ดีหลงไปกับอาการคืออะไรเช่นเวลาง่วง เราก็เคิมไปกับเขาจนบางคนก็ขาดสติจนทั้งหลับ <c oughs> <c oughs> เวลามันฟุ้งซ่า น, นก็ดลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านอันนี้คือล้วก็ไปกับเขาวันหนึ่งนะจิตใจมันชวนมันชวนคิดหลายเรื่องมากนะบางเรื่องมันก็รู้สึกอยากคิด <c oughs> อยากคิดต่อเนะี้ยอืม บางเรื่องก็รู้สึกอยากห้ามไม่อยากให้มันคิดเนี่ยแต่เอาจริงการหลงไปคิดต่อก็หลงแบบหนึ่งนะการหลงไปห้ามความคิดก็หลงอยู่แบบหนึ่งแต่วิธีปฏิบัติแบบเจริญสติแบบหลวงพ่อเตียนนะท่านบอกไม่ห้ามความคิดแล้วก็ไม่ตามความคิดแค่รู้ว่ามันคิดไม่ต้องไปสนใจคือไม่ต้องไปสนใจรายละเอียด หรือเรื่องราวที่คิดนะแค่รู้ว่ามันคิดพอแล้วนะแค่รู้ว่ามันคิดพอแล้วคือถ้าเราแค่รู้ว่ามันคิดนะมันเหมือนมันเหมือนคล้ายค้เรารู้ว่าเราหลงไปถืออะไรตั้อย่างนะอยู่ดีก็ไปถืออะไรตั้อย่างขึ้นนะพอรู้พวกนะั้นมันเหมือนคว่ำปักนะมันมันต ก, กอ่ะคือเราไม่จับไว้มันคว่ำปักคือคือเราขาดสติคคค เ, ตเคยไหมบางทีขาดสติล rocks, แล้วก็เผลอไปเกาเผลอไปหยิบนั่นหยิบนี่นะ ทำไปแบบไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวเอ้ยเผลอไปหยิบมันเมื่อไหร่วะเนี่ยเออมันก็วางมันก็่อดจิตมันก็เหมือนกันมันก็เผลอไปคิดนะเผลอไปมีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ทันมันก็วางแต่มือนะเผลอไปหยิบไปจับอะไรเนี่ยตอนนานๆเผลอไปทีนะแต่จิตเนี่ยเผลอไปคิดเนี่ ย, ยบ่อยมากให้เรามีสติรู้ทันนะ่ะ น, นอกจากเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วะเราก็จะเห็นจิตใจมันเผลอไปคิดด้วยนะนาการที่เราเห็นจิตใจเผลอไปคิดก็เรียกว่าเรามีสติเหมือนกั น, นสติปฐานนะ่ะนะกายเวทนาจิตธรรมแต่พูดง่ายๆก็คือกายจับใจนะพูดง่ายกายจับใจร่างกายก็คือเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ดีความหยุดนิ่งก็ดี การกระทบสัมผัสก็ดีความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวความหิวอันนี้คือเรื่องของกายเท่านั้นเลยนะความง่วงก็เหมือ น, นอกันง่วงต้มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือเรื่องของกายเท่านั้นอเราก็เพียงแค่รู้เขาดูเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละดูแบบไหนก็รู้อย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันขณะนั่นแหละะรู้ไปเรื่อยๆนะได้ว่ามีสติมีสมาธิ เราก็จะเห็นว่ากายเนี่ยนะมันมีความทุกข์บีบคั้นนะมันบีบคั้นนะเรานั่งนิ่งๆไม่ได้หรอกนะคนเราเนี่ยนั่งหมพักๆหนึ่งต้องขยับนะไม่เหมือนรพระโพธิลูกใช่ไหมนะพระโพธิลูกนิ่งเฉยไม่ไหวจริงเพราะนั้นท่านไม่มีวิญญาณนะเป็นเพียงแค่วัตถุนะถ้าวัตถุเจิยๆไม่มีวิญญาณไม่มีจิตใจเนะี่ยก็นิ่งได้ มันกับเหล็กอะไเลยนะเหมันกับเหล็กเยนยะมันก็เป็นแค่วัตถุแต่บางทีบางคนนะมอง ง, งา่ามอง ง, ง่ายเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ไหมมีไหมเคยได้ยินไหมตุ๊ ก, กตาตุ๊กเท่แบนนะั <c> ้น <oughs> ตุ๊ ก, กตาก็เชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ข้างในนะั <c> ้น <oughs> หรือบางคนก็มี วัตถุอะไรก็แล้วแต่นะมีหมอดู ม, มาทัพนะว่ามีวิญญาณอยู่ในนั้นนะมีสิงโตอยู่ที่บ้านไม่เหมาะสมนะสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อนะ่ะวิญญาณนะสัตว์กินเนื้อถ้าเราไม่แข็งพอเดี๋ยวก็เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ว่าไปแต่จริงนะวัตถุจริงๆนะถ้ามันไม่มีจิตใจมันก็เป็นแค่วัตถุนะไม่เป็นเป็นเพียงแค่วัตถุจิตใจเรา แต่พอเราไปเชื่อเพราะเราไปลงนะเราก็เลยไปกลัวนะอย่างโยมบางทีเดินไปนะบางทีเดินไปที่เห็นคล้ายๆถ้าสมมติถ้าเห็นศาลเจ้านะโยมว่าในศาลเจ้าจะมีวิญญาณไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราเชื่อว่ามีเนะี่ยเราก็จะเริ่มกลัวแนละ้ว ื ừ, สารเจ้าล้างอยู cómo, Yours, ่ในนัสมุดถ้าเราก็กลับได้ว่าเป็นสารเจ้าลังล้างมองเลยก็ไม่เห็นเราแค่เห็นวัตถุทิ่เจนเนี่ยมันก็เฉยๆนะว่าถ้าฝรั่งเขไม่เชื่อเรื่องนี้นะก็เห็นสารเจ้าเขก็มองเฉยแต่ถ้าคนไทยที่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆมาอยู่ในที่ดังๆ้งเนี่ยเห็นแค่เห็นก็กลัวใช่ไหยมันกลัวเพราะอะไร กลัวเพราะความคิดวิตกของเราพวกเรากลัว <sy> ผีไหมมีใครกลัวผีไหมเคยเห็นผีไหมยังยังไม่เคยเห็นแล้วทำไมยังไม่เคยเห็นผีนั่งกลัวมาตั้งแต่เกือบสี่สิบปีเคยเห็นเป็นเงาเเงาคยเห็นเป็นเงาเคยเห็นงคยเห็นเป็นเงาเยเเป็นเงาเคยเงห็นเเป็นาเนปเงเคยเห็นเป็นเงงห แต่ก็คิดว่าเป็นผีใช่ไหมแต่ว่าเราไมมีคนผูกคอตายโยมเลเอ้าโยมไปโรงพยาบาลเดมเห็นผีไหมโรงพยาบาล น, นี่คนตายเยอะนะโรงพยาบาลในวันหนึ่งตายกันทุกวันเนาะออาวันหนึ่งบาทีหลายศพนะแต่ทาไมเราไปโรงพยาบาลก็เราไม่ค่อยกลัวผีต้คนเยอะ คนเยอะใช่ไหมมาใคยอบรมพยาบาลหมออยู่โรงพยาบาลนะก็พาไปทำกิจกรรมตอนกลางคืนไปทำกิจกรรมตอนกลางคืนนะก็ถามพยาบาลยอมกลัวผีหรือเปล่ากลัวค่ะอ้าวเอามาก็แปลกใจนึกว่าหมอพยาบาลไม่กลัวผีเพราะว่าเห็นคนตายเยอะ น, นั้นคนตายก็อาจารย์แต่ผีก็อันหนึง่งไอ้คนตายก็อันนึงเราเ อ, อ็นคนอันกันนะเราก็ไม่เราก็คิดว่าการที่ตายแล้วคนก็เชื่อเป็นวิญญาเป็นผีอันเดียวกันแต่หมอพยาบาลก็ทําหน้าที่คุ้นเคยเอย่างอันนี้คนป่วยป่วยแล้วรักษาไม่หายแล้วก็ตายอัง น, นั้นเรียกว่าคนตายไม่ใช่ผีแต่ผีเนี่ยคืออะไรที่มองไม่เห็น แต่เรากลัวเรากลัวเพราะเราสร้างภาพนะอาจจะมีกี่จริงก็ได้ในโลกนี้นะแต่ที่จริงก็ถ้าเรายังไม่เห็นก็จะพึ่งกลัวเถอะเหมือนอย่างหลวงพ่อเทียนนะเหมือนหลวงพ่อเทียนตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมอนะ่ะอาจารย์ท่านสอบอารมณ์นะพริกเผ็ดไหมพริกเผ็ดไหม ไม่รู้ก็ยังคิดนะมันต้องไม่เผ็ดคือ <c oughs> อะไรคือท่านตอบเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันคือตอนนี้ไม่ได้กินพริกมันก็ต้องไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่เผ็ดพริกมันก็อยู่ของของมันอยู่ที่ต้นอยู่ที่ครัวนะพริกมันก็อยู่ตรงนั้นแต่ปัจจุบันที่ทำนะพริกมันไม่เผ็ดเพราะว่ามันยังไม่ได้แตะกับลิ้นยังไม่มีแล้นะ เกลือก็ไม่เข็มเพราะว่าเกลือก็อยู่ของเกลือดินเราก็อยู่ของเราแบบเนี้ยมันไม่เผ็ดอาจารย์ถามว่าถ้าให้เดินมาหาที่วัดนะต้องผ่านป่าที่มีเสือเสือที่ถูกเขายิงนะมันดูนะจะกล้ามาไห้บอกเพราเดี๋ยวกล้ามาก็าอาจารย์บอกให้มาก็าต้องมาไม่กลัวเสือแล้วบอะ ผมยังไม่เห็นเสือผมจะไปกลัวเสือทํำไมเนี่ยโยมสังเกต น, นะบางทีเรายังไม่เห็นผีเลยนะแต่เราไม่กล้าไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหยให้เดินกับกุฏิคนเดียวกล้าไปไหมบากคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้าแต่บางทีให้เราสังเกตว่าบางทีความคิดมันต่อให้เราไม่กล้านะทนะําให้เรากลัวทําให้เรากังวลนะนะ กังวลในที่นี้มันรวมถึงกลัวอย่างอื่นเลยนะ่ะกลัวะนะบางทีอย่างเราจะไปเจอคนทั้คนที่ที่เราเคยไม่ชอบหรือเขาเคยทําอะไรกับเรามีเรื่องกันนะจงเก่งไหมบางทีแค่รู้สึกว่าจะต้องไปเจอเขาเนี่ยใจก็เป็นใจก็กังวล น, นะใจก็เป็นทุกข์ละตามที่ยัไม่เจอเลยนะใช่ไห ม, อ, มอันนี้คือความกลัวนะ อหรือบางทีเราป่วยเป็นอะไรทั้งอย่างแล้วก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งเนะี่ยบางทีก็เป็นแล้นะใช่ไหมมีหลายคนนะไปหาหมอหมอก็แค่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะใจก็เสียแล้วแต่พอไปเช็คดีๆนะไม่เป็นนะมันก็เอสบายใจขึ้นนะอันนี้ดังนั้นความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันเนื่องด้วยกัน มันเนื่องได้ตายนะมันก็อันหนึ่งนะแต่หลายอย่างเราเป็นทุกข์ก่อนร่วงหน้านะหรือบางอย่างมันต้องผ่านมาหลายปีแล้วนะมันก็ยังเป็นทุกข์ในวันนี้ได้เพราฉะนั้นความทุกข์ทางจิตใจตาเหตุห ล, ลักๆเลยเนะี่ยคือความปรุงแต่งนะดูดีๆนะการที่เรามาฝึกสติเนะี่ยมันจะเป็นการตัดความคิดปรุงแต่งนะ ถ้าเรารู้สึกตัวนะความคิดตกแต่งจะจะถูกตัดไปจะดับไปดับไปต่อหน้าต่อตาเลยเราจะเห็นว่าถ้าเราเห็นแบบนี้นะมันจะได้ความมั่นใจเลยว่าโอ้การปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือตรงนี้นะพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บสติรู้ทันปั๊บนะ่ะมันตัดทันทีเราจะเห็นว่าโอ้ความคิดตกแต่งนะ่ะมันเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์เลยนะอ่า ทำให้เราขาดสติทําให้เราหลงน่ะเกินะทั้งเป็นทุกข์ได้พอเราเห็นวันนี้ว่าเราอ๋อปฏิบัติธรรมคือตรงนี้คือตรงนี้นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทําให้สงบนะไม่ใช่ว่าพยายามน้อมใจให้สงบบาทีคนไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบททัติธรรมพอบอกให้ปฏิบททัติธรรมนะจะเริ่มทําท่า <c oughs> ท, ทําท่าทาง ร่างกายให้ให้แบบคล้ายๆวางฟองนะให้ให้นิ่งๆวางใจให้ซึมๆให้ให้ใคล้ายๆทําให้มันไม่คิดอะไรประมาณน่ะอันนั้นเป็นการวางฟองเราไม่ต้องวางฟองนะเวลาปฏิบัติธรรมเป็นธรรมดาไปเลยนะไม่ต้องมีฟอร์มนะเพราะคําว่าฟองเนี่ยมันก็คือตัวตอนอย่างหนึ่งนะคือตัวตนนะ เราต้องทําแบบธรรมดาที่จริงก็ไม่ได้บอกว่าต้องทานะคือไม่ต้องทําอะไร <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรนะเพียงแต่ตั้งกายให้มันตรงนะวางใจให้สบายๆนะเวลาเรารู้สึกตัวเนะี่ยมันก็รู้ง่ายๆไปเลยนะความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วนั่นะเรารู้ง่ายๆเคลื่อนไหวรู้สึกยกขึ้นรู้สึกเดินรู้สึกเนะี่ยง่ายๆ มันคิดขึ้นมาเราก็แค่รู้แค่นี้พอละทำแค่เนี้ยคือการปฏิบัติธรรม้วนะแต่สิ่งที่มันจะยากคือทําให้มันรู้สึกตัวได้บ่อยๆนะ่ะมันจะยากตรงนี้เรารู้สึกตัวเนี่ยตอนที่เรายกมือสร้างจังหวะตอนที่เราเดินจงกรมตอนที่เราไม่ต้องทํางานอย่างอื่นน่ะมันก็จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวได้เยอะ อาจจะครึ่งหนึ่งนะเวลาเร า, าดินจมกองยกมือแท่งบะอาจจะเอรู้ครึ่งหนึ่ ง, นนงนะบ่งครึ่งนึ่งนะก็ยังถือว่าดีนะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันบางทีจะรู้สักสิเปอร์เซ็นนี้ก็ยังยากมันจะหดดมากมันจะหดดมากกว่ารู้แต่จะทํำยังไงนะให้เรามีสตินะให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะในแต่ละวันนะมันก็เริ่มจากการที่เราต้องฝึก การปฏิบัติในรูปแบบให้มากๆคือทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้คือตอนเช้าถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะหรือนั่งสมาธินะออก่อนไปทำอย่างอื่นจะดีนะอย่างนั้นมาใหม่ๆตอนตื่นมาเนะี่ยจะก่อนตื่นประมาณตีสามทำวัดตีสนีะ่ที่สุประต เราก็ขึ้นมาเนะี่ยนั่งตั้งจังหวะสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ล้างหน้าแปรงปันแป๊เดียวไม่ถึงสิบนาทีเดินลงไปที่ศาลาสิบห้านาทีไปถึงศาลาก่อนทงวัดห้านาทีพอดียคือทําแบบนี้คือตื่ขึ้นมาก็เนะี่ยรู้สึกตัวต่นะเตรียมพร้อมก่อนนะเตรียมพร้อมแล้วก็ไปทากิจวัตรนะไปแปรงฟันล้างหน้าเดินลงไปแบบนะ้ มันก็จะติดมาเพื่อต่อเ น, นื่องไปก็พยายมสุดสติไปนสวดมนไหว้พักก็อย่างที่แนะนําเยมเมืทุกี้นะคือแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สวดไปเหมือนอใคล้ายๆสวดไปแบบออืเป็นนกแก้วนกเป็นทองเฉยนะออแต่พอเราเริ่มมีสติเราจะทุกขที่จริงการสวดมนต์เนี่ยก็การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะแต่บางคนคิดว่าสวดมนต์คือได้บุญใช่ไหม ให้ฟังบวชสวดมนต์ก็คือให้ฟังเกิดมันจะได้บุญนะแต่จริงไม่มีนะไอ้บุญแบบนี้นน้อยๆสวดไปเฉยๆหรือว่าฟังไปเฉยๆนะแต่ไม่ได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองอนะ่ะได้บุญน้อยแต่ถ้าเราสวดมนต์เป็นอนะก็ดูเนี้ยนะดูปากเขาขยับดูมือเขาพนมดูร่างกายเขานั่งนะดูดูร่างกายก็ได้นะ สวดหมดไปก็ดูร่างกายดูกายก็นั่งอยู่ดูมือก็ขอนมอยู่ดูปากก็ขยับอยู่คือดูลงดวงนะมันจะเห็นมางทีมันจะอาเ จ, จชัดเนี่ยแต่ละสวนระลักกันไปแล้วก็สังเกตมางทีมันก็จะเห็นใจแล้วบางทีสวดไปอย่างบรรพพระหรือโยมอยู่วัดบ่อยๆนะไม่ต้องดูหนังสือสวดได้ไม่ขิดแต่ใจได้เห็นคิดเรื่องอื่นได้นะก็จะเห็นอืมปากมันสวดไปด้วยนะ ใ, ใจเกิดไปคิดก็จะเห็นใจมันเปิดไปคิดหรือบางบทนะเราทาบซึงมากหรือบางบทเราก็สงสัยนะบางทีบางบทสวดแล้วก็สงสัยนะทําทสสทไมพระพุทธเจ้าหรือทาไมครูบาจารย์ท่านตัดไว้อย่างนั้นเขียนไว้อย่างนั้นเราก็ไม่ไม่ทันไปต้องไปคิดสงสัยนะหาคำตอบหลอกแต่ถ้าเราเจริญษสติก็เพิ่งเห็นใจมันสงสัย เห็ในใจมันสงสัยขณะที่ที่บางคำที่เราไม่เข้าใจนะบางบางครั้งก็แม้แต่แปลเป็นภาษาไทยบางทีก็ยังงง <c oughs> สวดไปก็ไม่เข้าใจใจสงสัยก็รู้ทันนะหรือใจมันเถือออกไปก็รู้ทันเวลาฟังธรรมก็เหมือนกันไต่ก่อนฟังธรรมพอสลงพ่อทข้เกียนเทศเนี่ยอันมาเขาจะนั่งสมาธิฟังเลย ฟังแบบเอาคล้ายๆเอาเนื้อหาที่หลวงพ่อพูดแรกๆก็ก็จำเป็นอยู่ฟังเอาเนื้อหาว่าท่านพูดท่านอธิบายเรื่องการปฏิบัติทำอย่างไรเรื่องการวางใจอย่างไรก็ก็สำคัญแต่พอฟังไปเยอจริ ง, รงมันจับมันจับได้แล้วว่าหลวงพ่อก็พูดคล้ายๆเดิมนะแต่ก็ไม่เบื่อนะ <c oughs> ฟังอยาฟังหลวงพ่อเปลี่ยนพูดนะ่ะไม่เบื่อนะพูดแล้วเรื่องนําเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลยแต่ฟังแล้วไม่เบื่อคืออะไรคือเราฟังแบบมีสมาธิในการฟังมีสมาธิในการฟั ง, ฟ, งนะฟังไปแล้วก็มันก็จะสังเกตตัวเองไปด้วยบางทีถ้าเราปฏิบัติธรรมไปด้วยเราจะเห็นว่าบางทีตอนครูบาอาจารย์พูดตอนครูบาอาจารย์เทศน์ไม่เหมือนสอนเราตรงๆเลย ปฏิบัติทำบางที่ไม่ต้องถามครูบาจาเลยนะอย่างมาปฏิบัติต่อหลวงพ่อมาหลายปีเนะี่ยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ถามท่านเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งแล้วหรืออะไรแบบนั้นเนะือไม่ถามแต่ประมาณว่าฟังแล้วก็ขอเข้าใจแล้วว่าท่านว่าอย่างไรอะไรที่ยังทําไม่ได้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็วางไว้ก่อนทำไปเรื่อยๆ บางครั้งติดขัดสงสัยอยากจะถามก็มีเยอะแต่พอฟังไปได้ท่านเหมือนแก้แก้เอาลงได้คําตอบหรือบางอย่างก็ปฏิบัติไปก็เห็นด้วยตัวของเราเองนะหลวงพ่อเขียนก็เคยพูดนะปฏิบัติรำนะไม่มีคําถามมีแต่คตํตาอตอบตัวเราเองตอบตัวเราเองข้อสงสัยนะเพราะว่า ปฏิบัติใหม่ๆเราสงสัยมากเคือคนที่สงสัยหวพ่อบอกปฏิบัติทำไม่มีคําถามแต่เรามีแต่คําถามไม่มีคําตอบนะแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยจริงมันเป็นแบบที่หลวงพ่อท่านว่าจริงนะคือความสงสัยนะคําถามมันหมดไปความเข้าใจคําตอบเนะี่ะมันมาแทนที่เอง ไปก่อนมีแต่อืมอะไรเกฟสงสัยไปเรื่อยนะแต่พอปฏิบัติไปเรืยมันอ๋ออ๋ออ๋อนะเข้าใจบางอย่างก็เข้าใจอธิบายไม่ได้นะแต่มันเข้าใจนะแ้วเหมือนบางทีโยมกินอะไรตั้งอย่างอ่ะคือรสรสชาติของอาหารบางอย่างมันอธิบายยากนะมันหวานแบบไหนเบี้ยวแบบไหนเคเมนันมันอธิบายยาก เราก็อธิบายโดยการเปรียบเทียบในสิ่งที่เรารู้จักเนาะในสิ่งที่เรารู้จักเปรียบเทียบแบบเนี้ยแต่จริงสภาวะจริงมันอธิบายยากมากนะเนี่ยเราก็จะได้คาตอบด้วยตัวของเราเองนะเราปฏิบัติต้องสิ่งที่มันสงสัยมันก็จะคลายความสงสัยก็จะได้คําตอบด้วยตัวของเราเองแต่ก็อาศัยฟังคำเป็นส่วนประกอบบ้างนะให้เหมือนเป็นแนวทางเป็นแผนที่ หรถ้าเราปฏิบัติไปด้วยมันก็เหมือนจะค่อยๆแก้อดตัวของเราเป็ น, นตัวขณะที่ปฏิบัตินะ่ะขณะที่ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็เวลากินข้าวเนะีเน่นะเวลาพักต้นปฉันนะหรือเดินบินธบ า, นะาตเนี่ยเมื่อกิจวัตรของสงฆ์เนี่ยมันดีมันช่วยเรามากอย่างเดินบิณธบาตเนะี่ยเดินแถวเรียงหนึ่งเนอะเดินแถวเรียงหนึ่งก็จะไม่ค่อยก็จะไม่คุยกัน เราจะมีเหตุจําเป็นจริงมันก็ดีเลยมันทําให้เราได้ปึดเดินเจริกรงในขณะที่เดินมีินทบาทแล้วทานอาหารก็ทานในในบาทนะทานใครทันมัน่คือใหม่ๆ ม, มันก็ไม่คุ้นนะเพราะเราถ้าโยงเปธนคารวาสเดินว่าทานนองลงกันนะหรือเดินก็เดินเัีอย่างเช่นถ้าเดินไปกับคนด้จยใจกไจะเดินคู่กันนะคู่กันคุยกัน หรือชวนกันดูนั่นดูนี่แต่ถ้าเราลองสึกแบบนี้ดูนะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นไม่ต้องคุยก็ลองเดินแบบคล้ายๆเดินแบบพระบินทบาทนะเดินไปด้วยกันแต่แต่ละคนก็รู้สึกตัวของตัวเองไปเราสังเกตได้เวลาเรากลับขุดนะเดินกลับไปด้วยกันนั่นแหละแต่เราก็เดินมีสติดูตัวเองเดิน <c oughs> นะเดินใครเดินมันเวลาทานอาหารก็เหนือนกันนะ ลองอยู่กับอาหารเฉพาะหน้าของเรานะรู้สึกตัวในการตักรู้สึกตัวในการกินรู้สึกตัวในการเคี้ยวรู้ทันความเผอไปของใจของเรานะีมันได้ไประโยชน์มากเลยกิจวัตรของพระมันเอื้อให้มีสติมากขึ้นถ้าโยมเอากิจวัตรตัวเนี้ยเอาไปไปยุกใช้ในชีวิตประจัขอ ง, งเราเราจะเห็นว่าอ๋อที่จริง อันนี้แหละคือช่วงเวลาปฏิบัติธรรมได้เลยแต่ก่อนบางทีเราคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องรอมาอยู่วัดมาเข้าคอสมาน้านึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจอ๋อเออเรากินข้าวคนเดียวก็ดีนะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่เนี่ยเราเดินคนเดียวก็ดีนะเราก็ได้เดินปฏิบัติธรรมเต็มที่หรือบางทีเราก็เดินไปกับคนรู้จักนั่นแหละเ อ, อ แต่เราก็คุยกันให้น้อยตรงเอี่เราก็ใ้ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเราจะฉวยโอกาสปฏิบัติธรรมได้เยอะเลยนะในชีวิตประจำวันกิจวัตร ต, ต่างๆที่เราทำได้ไม่ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่แต่ตอนทำงานที่ต้องใช้ความคิดตอนที่ต้องพูดคุยต้องวางแผนไอ้พวนั้นอาจจะปฏิบัติธรรม ในการดูร่างกายอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้สมองเยอะหน่อย เ, ออเราอาจจะดูกายได้ไม่ชัดแต่เราก็าใส่ดูจิตใจในขนาดที่ทำงานด้วยก็ได้นะ <c oughs> อย่างเวลาเราคิดวางแผนนะเราก็ต้องตั้งใจคิดแต่เวลามันคิดไม่ออกแล้วเรารู้สึกไม่ชอบที่มันคิดไม่ออกเนะี่ยให้เรารู้ทันแล้วนะการที่ไม่ชอบ ที่มันคิดไม่ออกเนี่ยเนี่ยให้เรารู้ทันนะเคยไหมบางทีอันนี้ไม่ต้องเรื่องงานนะเห็นชื่อเห็นใครทุกคนนะรู้จักนะแต่จําชื่อไม่ได้นะอืมอืมจาชื่อไม่ได้บ่อยใช่มบ่ยนะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนา ะ, ะน <laughs> แต่ถ้าแบบพยายามจะคิดให้ออกเนี่ยจะเริ่มจะเริ่ม ไม่วักมันจะเริ่มเครียดแล้วเนาะแต่ถ้าคิดไม่ออกอ่ะพยายามคิดแล้วไม่ออกก็ช่างมันก็วางไปเนี่มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพยายามจะคิดไม่ออกเนี่ยมันจะเริ่มเครียดแล้วอืมอันนี้คือแบบเนี้ยหลายๆอย่างที่บางทีมันคิดไม่ออกนะถ้าวางไว้ได้นะมันก็ปลายเหมือนอนย่างที่คู่ตอนเย็นนอนไม่หลับเน่ะก็เหมือนกันนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็นอนได้เล่นไปนอนได้เล่นไป ตัดเมื่อไรก็เรื่องของมันแต่ดใจเราวา ง, ะงนะกังวลนะอวางความกังบนไปแล้วเนี่ยที่ที่จริงเนี่ยเรียกชื่อคนไม่ได้เนยก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดปาดตาย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ม, มันจะไม่เป็นไรหรอกนะ่ยแต่บางทีเราก็เป็นนะเราก็เป็นเพราะเราอยากจะให้อยากจะให้มันจําได้นะบางทีมันก็เกี่ยวกับอะไรหลายอย่างโยมบางทีก็เกี่ยวกับเซลล์สมองที่มัน มันเสื่อมลงไปเลยเนาะอูบาจาจาร์ท่านก็ลงลงดุนดืเหมือนกันเลยนะอย <my single behavior todavía> ่างมีคนนอกงานะถิติก็มีคนมาถามกันมางานสถิติมีหลวงพ่อโกมเนะ่หลังตาโกมใครเคยจักบ้องอายุท่านเก้าสิบสองเก้าสิบสามเนาะท่านก็ลงลงดุนดือมาสองสามปีและนะก็มีคนสงสัยทำไม งตาผมก็ดูเหมือนสร้างใจปฏิบัติทางนี้นะเคยเห็นเคยรู้จักมานานแลาทำไมเป็นอัลไซเมอร์ด้วยทำไมถึงตรงลืมด้วยนะเขาบอกโอ้มอนก็ธรรมดานะมันเรื่องของร่างกายรู้จักอาจารย์โควิดไหมโควิดเกมานันทะนะเวลาท่านแสดงคำมาเขว่าท่านก็มีธรรมะ ท, ท, ท, ที่ที่ดีนะแต่เราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจริงๆอย่างไร แต่ละท่านพูดท่านอะไรก็ดูดีแต่ถ้าก็ยังเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันนะอืมคือเรื่องอื่นท่านดูไม่หมดเนี่ยหลวงพ่อคงเขียนเคยไปเยี่ยมท่านก็ท่านก็จำหลวงพ่อคงเขียนไม่ได้นะถ้าทั้งที่ก็เคยคุ้นเคยกันนะแต่ถ้านพูดว่าพ่อเขียนเคยสอนอะไรเนะี่ยพูดได้คือก็อาจจะจําได้บางเรื่องบางเรื่องจำไม่ได้ะแต่มันไม่สําคัญเนี่ยเพราะว่า อย่างอาจารย์ตวิดหลายๆคนก็พูดว่าคือท่านต้องไม่สแสดงอาการเป็นทุกข์จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําไม่ได้นะที่เคยทําได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นอยู่แบบเฉยเฉยนะอะไรที่เคยทําได้แล้วทำไม่ได้ก็เฉยเฉยไปต่มานี่ยคิดก็ไม่เป็นทุกข์แต่บางทีคนแก่หลายคนเนี่ยพอมันทําไม่ได้อย่างที่เคยทำเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะใช่ไหมเคยคิดได้เคยเดินได้เคย ทำอย่างนี้นีนได้พอทำไม่ได้เราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสตินะเราก็เราก็ยอมรับความจริงของร่างตายยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงใจก็ไม่เป็นทุกข์ลวอันนี้คือธรรมะทั้งหมดเลยน ะ, ะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งการปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็การปฏิบัติในชีวิตประจาวันเลยทุกๆอย่างนั่นแหละคือ บทเรียนธรรมะทางนั้นนะถ้าเราฝึกหัดหดีๆดูดีๆเนะทุกอย่างัแหละคือการปฏิบัติธรรมเนาะให้พวกเราได้ใน ไ, ได้คอยสังเกตดูดูร่างกายที่เคลื่อนไหวสังเกตดูจิตใจที่มันเผลอไปคิดนึกนะนี่คือการปฏิบัติธรรมเนาะเรามาอยู่ยที่นี่ก็อาจจะปฏิบัติในรูปแบบเย็ะหน่อยอมันคล้ายๆมันจะเป็นการเหมือนซ้อมนะโยม เหมือนมาติวนะเหมือนมาเหมือ น, นมาติวข้อสอบเหมือนมาซ้อมใหญ่นะมาซ้อมให้เยอะๆนะไว้พเพราะพอเราออกไปทั้โลกบางทีเวลาซ้อมมันจะน้อยคนที่จะติวให้เราก็าจะไม่ก็จ ะ, จะไม่มากนะเราต้องไปเจอข้อสอบต้องเจอบททดสอบเยอะนะบางทีก็ผ่านได้บ้างผ่านไม่ได้บ้าง นั้นเราอยู่ที่นี่ก็พยายามซ้อมเยอะๆด้วยกันเนาะพยายามสำรวงสำรวมระวังนะอะไรไม่จะเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่จะเป็นต้องดูก็ไม่ต้องดูอะไรไม่จะเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดให้ร่างกายให้จิตใจให้สมองได้ได้แบบพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อาศัยว่าเอออาศัยเวลานี้ ในการฝึกอัตติให้เยอะๆได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ให้ขยันนขยันทำเหตุแต่จะเกิดผลเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งน ะ, ะพุทธศาสนาในสอนเรื่องการทำเหตุให้เรามีความขยันมีความเพียรแต่ไม่ต้องไปหวังผลผลมันก็เกิดขึ้นจากเหตุของมันเองนั่นแหละนก็ให้เราไม่มีความตั้งใจก็ถือว่า พวกเราทุกๆคนมาที่นี่ก็คือว่ามีความตั้งใจดีรักมีเจตนาดีรักนะที่อยางให้บรรยุดบางคนก็สองสมวันบางคนก็อาจจะมาอยู่แปดเก้าวันเนาะนะถ้าเรามีความตั้งใจดีรักที่จะมาให้เวลาในการสุกหัดพัฒนาจิตใจของเราเองนะให้มันมีสติมีปัญญามีความคลอยมีความวางขึ้นนะ มันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนรอบๆตัวเราคนที่เราต้องเกี่ยวข้องเนะี่ยเยอะขึ้นเรื่อยนๆนะเริ่มต้นจากการที่เราฝึก ข, ขัดตัวเองเนี่แหละมันจะส่งผลต่อไปต่อคนรอบๆตัวเราเกิดผลจริงๆนะอ่านะนะนะนะก็ฝากไว้นะเย็ยนวันนี้นะกนะารพา ก, กัน